ไปอยู่กับพระลา้านองพระแก่ๆ แ, แบบหลวงพอ่อหลวงตาสองสามพันศาอัตมานั้นสิบพันศาแนละ้วอยู่กับพวกคนแก่ก็ตั้งใจปฏิบัติเลยรับบาักีวรนเทกระโทนสารพัดอย่างไม่ได้คิดว่าอันนี้ทำให้อง์นั้นไม่ได้คิดทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำเราก็ทำเป็นกำไรของเราเป็นเรื่องสบายใจภูมิใจถึงวันอุโบสถเราก็รู้จัก